รับเพื่อรอเพียงเธอผู้เดียวนะรู้ก็รู้ว่ามันต้องเสียงทำให้เสียน้ำตาขอฉันขอห่วงใยวังดีรบบวนเธอหน่อยนะเพียงแค่เพียงเท่านี้ก็มีความสุขเล็กน้อยตามประสา ขทนเขาเธออย่าเพิ่งไม่มีใครปล่อยฉันรักปล่อยคิดถึงปล่อย ใ, ใจจะหวานซึงได้เสด็ดังความจริงใจฉันจะเอาจะมาเป็นแฟนนี้ได้เธอได้ินไหมฉันจะทําให้เธอรักฉันจนหมดทังหัวใจฉันจะเอาจะมา พูดได้ไม่อายใครอยากจะเป็นแฟนของเธอ อ, อคิดก็คิดว่าฉันมาดีพร้อมใจที่รักแธ้หวังแอบหวัง ถ้าเธอเหมือนใจปล่อยลอยแพลงแต่ลงเธอลแล้วยอมละทุกอย่างก็รักเธอแทบแย่แต่เธอยังไม่รักเธอยังไม่สนมันก็พอทนขอเธออย่าเพิ่งไปมีใครปล่อยให้ฉันบัดปล่อยคิดถึงปล่อยให้ใจถวอานซึง แสดงความจริงใจฉันจะเอาเธอมาเป็นแฟนใี่ได้เธอได้ยินไหมฉันจะทำให้เธอรักฉันจนหมดจังหัวใจฉันจะเอาเธอมาเป็นคู่ชีวิตมันคิดมันฝันไป ฉันจะเอาเธอมาเป็นแฟนให้ได้เธอได้ยินไหมฉันจะทำให้เธอรักฉันจนหมดทั้งหัวใจฉันจะเอาเธอมา ได้เป็นแฟนของเธอ